พระเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาณสังนวนสมเด็จพระสังฆราชสกคลมหาสังฆปรินายกสมณะจะอธิบายความใหม่พระโอวาทปาติโมกสือต่อไปพระพุทธวทฏข้อที่สาม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 ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะของพมา่าเขาใส่ตัวนอหนูปฏิเสธในบาตรที่สองด้วยเลยว่านะหิปัะพชัชโตปรูปคาตีนสมโนโหติปรังวิเหธะยันโตแต่ในฉบับของไทยเราตัวนอหนูปฏิเสธที่บาตรหลังนี้ไม่มีโดยความก็เท่ากันผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นทำร้ายผู้อื่น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 มีอยู่เพียงในจิตใจก็จะทำร้ายผู้อื่นเียดเบียนผู้อื่นด้วยใจก็ยังชื่อว่าเบียดเบียนอยู่นั่นเองฉะนั้นจะเป็นบ ร, รมชิติได้เต็มที่จึงจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติให้มีขันติดังกล่าวในพระพุทธวาทะข้อที่หนึ่งและได้มีนิพพานดังกล่าวในพระพุทธวาทข้อที่สองฉะนั้นเมื่อกล่าวสรุปประมวลเข้ามาแล้วพระพุทธวาทะข้อที่1และสอง แ, แ, แสดงธรรม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 แ, แสดงสมมนาไว้สี่ชั้นมุ่งถึงการมลุธรรมเป็นเกณฑ์ไม่มุ่งถึงเพศว่าจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นบัณชิตหรือเป็นครือขันสมนาหนึ่งได้แก่พระโสดาบันสมนที่สองได้แก่พระสกทาคามีสมนที่สา ม, ม 3, ได้แก่พระอนาคามีสมนที่สมม 4, ได้แก่พระอรหันต์สมนาทั้งสี่ชั้นนี้ที่เรียกว่าสังโคคือพระสงฆ์ ซึ่งเป็นรัตนะที่สและเป็นสรณะที่สามเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธวาทะดังนี้แล้วจึงได้ทรงย่อพระพุทธศาสนาในพระคถาพิงบทหนึ่งต่อไปว่าสรพปาปสัตว์อาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุสลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยธปนังการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว เอตังพุทธานะศาสนงนี้เป็นพุทธศาสนาคือคำสอนของผู้รู้ทั้งหลายด้วยพระคถาบทนี้ได้ทรงประมวลข้อปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาไว้เป็นสมข้อโดยย่นย่อคือ 1. ไม่ทำบาปทุกอย่าง 2. ทำกุศลให้ถึงพร้อม 3. ชำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วในชั้นนี้ยังไม่ได้ทรงชี้ว่า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 การดื่มน้ำเมาหรือดิทรงแสดงความมบทในทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลไว้สิบข้อที่จำแนกออกเป็นกายกรรมฝ่ายอากุศลวจีกรรมฝ่ายอากุศลมโนกรรมฝ่ายอากุศลและแสดงมูลของอกุศลที่เรียกว่าอากุศลละมูลแสดงผลของอกุศลที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆบาปอากุศลทั้งหมดเหล่านั้นพระพุทธศาสนาแสดงไว้ว่าไม่ให้ทํา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 การที่จะไม่ทำบาปอกุศลและการที่จะทำกุศลก็เกี่ยวด้วยจิตใจเป็นสำคัญฉะนั้นในข้อที่สจึงได้แสดงให้ชำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วจึงควรทำความเข้าใจเรื่องจิตใจพระพุทธศาสนาโดยย่อคำว่าจิตนั้นได้เคยแสดงมาครั้งหนึ่งแล้วว่าหมายถึงธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ไม่มีรูปร่างสีสังขานไม่ใช่รูปไม่ใช่นาม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 เมื่อเป็นทองคําหรือเป็นเพชรก็ต้องมีลักษณะอย่างนั้นเป็นประจำจิตก็ต้องมีลักษณะประพัสสอนคือผุดผ่องเป็นประจำแต่ว่าจิตนี้ทูกอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองที่เป็นอคันตุกะคือจรเข้ามาทำให้เศร้าหมองไปกิเลสสมชั้นในที่นี้เพิ่งสังเกตคําว่าอุปกิเลสกับคาว่าอาคันตุกะในที่ทั่วไปใช้คาว่ากิเลสแปลว่า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 ไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่ประจําจิตแต่เป็นของที่เป็นอคันตุกะเป็นแขกจรเข้ามาจึงได้ใช้คําว่าอุปปประกอบเข้าด้วยอันนี้เป็นเรื่องในพระพุทธศาสนาที่แสดงว่าจิตกับกิเลสเป็นคนละอันกิเลสไม่ใช่เป็นธรรมชาติของจิตเป็นอคันตุกะของจิตเท่านั้นฉะนั้นในบทต่อไปจึงได้แสดงไว้แต่ว่าจิตนั้นก็วิมุตติคือหลุดพ้นจากอุปกิเลสทั้งหลายได้เหมือนกัน และเมื่อจิตวิมุตติคือหลุดพ้นจากอุปกิเลสทั้งหลายได้แล้วธรรมชาติที่ประพัดสอนคือความผุดผ่องของจิตก็ปรากฏเต็มที่เหมือนอย่างทองคำที่ถูกะสมด้วยแร่ธาตุต่างๆเมือ น, นำมาหล่อล้อมไล่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปก็เหลือแต่ทองคำที่มีเนื้อบริสุทธิ์หรือว่าเหมือนอย่างเพชร ท, ที่ห่อหุ้มเปละเปื้นความผุดผ่องของเพชรไม่ปรากฏ เมื่อมาชำระล้างสิ่งที่ห่อเปลืกเปิ้อนหมดแล้วหรือจิรนายขัดสีดีแล้วรัศมีของเพชรก็ปรากฏจิตก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันอุปเกลเลคือเครื่องเศร้าหมองของจิตนั้นเข้ามาได้ทางไหนอย่างไรในพระพุทธศาสนาตอนหลังได้มีแสดงไว้ในพระสูตรหลายพระสูตรโดยความว่าอุปเกลเลนั้นเข้ามาทาจิตให้เศร้าหมองทางอารมณ์อารมณ์ก็ได้แก่ เรื่องที่จิตคิดดำริดเรื่องที่จิตหมกมุ่นอยู่ก็ได้แก่รูปอารมณ์อารมณ์คือรูปที่ผ่านเข้ามาทางจักระขุทวารประตูคือจักษุสัตรูลมอารมณ์คือเสียงที่ผ่านเข้ามาทางโสทวารประตูคือหูคันทารลมอารมณ์คือกลิ่นที่ผ่านเข้ามาทางขานทวารประตูคือจมูกรสารมอารมณ์คือรสที่ผ่านเข้ามาทางชิวหาทวาร ประตูคือลิ้นโผฏฐพารม์อารมณ์คือโผฏฐพะสิ่งที่กายถูกต้องที่ผ่านเข้ามาทางกายทวารประตูคือกายธรรมารม์อารมณ์คือเรื่องรูปเสียงกลิ่นเป็นต้นในอดีตที่ผ่านเข้ามาทางมโนทวารประตูคือใจอารมณ์เหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งราคะหรือโลภก็มีเป็นที่ตั้งแห่งโทสะก็มีเป็นที่ตั้งแห่งโมหก็มี เมื่อเป็นที่ตั้งแห่งราคะหรือโลภผ่านเข้ามาราคะหรือโลภะก็เกิดขึ้นในจิตเมื่อเป็นที่ตั้งแห่งโทสะผ่านเข้ามาโทสะก็เกิดขึ้นในจิตเมื่อเป็นที่ตั้งแห่งโมหะผ่านเข้ามาโมหะก็เกิดในจิตราคะหรือโลภะโทสะและโมหะที่เกิดขึ้นในจิตนั้นปรากฏในความรู้สึกของทุกทุกคนคือเมื่อเกิดราคะหรือโลภขึ้นตนเองก็รู้สึกว่า เรามีราคะหรือโลภะโทสะและโมหะก็เช่นเดียวกันกิเลช น, นี้เรียกว่าปริยุทธฐานะคือกิเลสที่เป็นเครื่องกรุ้มรุมจิตหมายถึงว่าเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นกรุ้มกลัดอยู่ในจิตเป็นที่รู้สึกคราวนี้กิเลชนที่กลัดกลุ้มอยู่ในจิตนี้ถ้าถูกยั่วยให้แรงขึ้นก็กำเริ่ ม, มากขึ้นจนถึงเป็นตัวอกุศลลมูลคือเป็นตัวก่อกรรมทางกายทางวาจา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 แต่ก็ไม่หมดตะกอนของกิเลสนั้นก็ยังตกไปนอนจมเป็นส่วนลึกของจิตกล่าวคือเมื่อราคะสงบไปแล้วตะกอนของราคะก็ยังไปนอนจมอยู่ในจิตเรียกว่าราคานอนุใสอันุใสกิเลที่นอนเนื่องอยู่ในจิตคือราคะโทสะเมื่อสงบลงไปแล้วตะกอนของโทสะก็ยังไปนอนจมอยู่ในจิตเรียกว่าปฏิคานุใสอันุสัยคือปฏิคะ ความกระทบคือความไม่ชอบเมื่อความหลงสงบไปแล้วตะกลของความหลงก็ลงไปนอนจมอยู่ในจิตเรียกว่าอวิชานุัยอนุสัยคืออวิชาความไม่รู้จริงฉะนั้นคนเราที่ประสบอารมณ์ก็เกิดราคะหรือโลภะโทสะโมหะกันอยู่เสมอๆและก็สงบกันอยู่เสมอๆแต่ว่าตะกลของกิเลสเหล่านี้ก็ยังไปนอนจมเป็นอ น, น, อนุสัยอยู่ในจิตพ่อพูณอยู่เสมอ กิเลชันอนุสัยนี้ไม่ปรากฏที่เปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มน้ำในตุ่มที่มีตะกอนนอนก้นตุ่มอยู่นั้นดูก็ใสในเบื้องบนแต่ก็ใสในเวลาที่ไม่ถูกกวนครั้นถูกกวนตนตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้าก็จะขุนจิตก็เหมือนกันเมื่อยังไม่ถูกอารมณ์ายุ่วจิตก็ดูบริสุทธิ์แต่ครั้นถูกอารมณ์ายั่วกิเลสที่เป็นตะกอนนี้ก็ฟุ้งขึ้นมาจิตก็ขุนมัว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 เป็นอคันตุกะคือเป็นแขกของจิตไม่ใช่เนื้อแท้ของจิตเพื่อจะเน้นให้เข้าใจเงื่อนไขอันนี้จึงใช้คำว่าอุปปเข้าในที่นี้ด้วยแต่โดยทั่วไปก็ใช้คาว่ากิเลสและก็ได้อธิบายแล้วถึงกิเลสว่ามีลักษณะเป็นชั้นๆอย่างไรปากทางที่จะทำให้เกิดกิเลกก็คืออารมณ์ทาให้เกิดปริยุตตฐานกิเลสกิเลสที่ปล้นจิตรุมรุมจิตทาให้จิตรุ่มกลั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 คือความขัดเคืองโทสะในชั้นนี้หมายถึงความโกรธที่มีอยู่ในใจโทสะแปลว่าประทุสร้ายจึงประทุสร้ายใจของตนเองยังไม่ถึงให้ออกไปคิดทำร้ายผู้อื่นอวิชชานุสัยก็ฟุ้งออกมาเป็นโมหะความหลงที่ทำให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นชอบเป็นผิดราคะโทสะโมหะเป็นชั้นปริยุท ธ, ธาฐานะที่กรุ่มรุมหรือกรุ่มกติดใจอยู่ปรากฏอยู่บุคคลก็รู้สึกอยู่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 เหล่านี้เรียกว่าเป็นการเห็นผิดอย่างร้ายแรงเป็นความเห็นผิดจากรองธรรมอภิชยาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิทั้งสมนี้เป็นวิติกรรมกิเลสคือเป็นกิเลสที่จะทําให้ลุ่งละเมิดทางกายทางวาจาและตัววิติกรรมกิเลสนี้เองก็เป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศลแปลว่าเป็นกิเลสอย่างแรงที่ล่วงมโนทวารออกมาทีเดียวและเมื่อเกิดมโนธรรมฝ่ายอกุศลดังนี้ก็เป็นเหตุให้ประกอบกายกรรม วจีกรรมฝ่ายอากุศลตามไปด้วยพระพุทธภาษิตจึงได้มีแสดงเอาไว้โดยความว่าทาทั้งหลายมีมณะเป็นหัวหน้ามีมณะประเสริฐสำเร็จด้วยมณะถ้าบุคคลมีมณะอันโทษประทุษสลายแล้วจะพูดหรือจะทําทุกย่อมติดตามไปเหมือนอย่างล้อเกวียนติดตามรอยเท้าโคที่จูงเกวียนนั้นไปแต่ถ้าตรงกันข้าม บุคคลมีใจผ่องแพ้วจะทำหรือจะพูดสุขก็ย่อมติดตามไปเหมือนอย่างเงาที่ไม่ละตัวรวมเป็นกิเลสสามชั้นนับจากหยาบไปหาละเอียดก็คือวิติกรมะกิเลสปริยุท ธ, ธฐานะกิเลสอนุสัยกิเลสโปรดติดตามรับฟัง45่าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิ พ, พนธ์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกุลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป